พระเจริญกลับมาถึงกุฏิของท่านก็พบภิกษุกรูปหนึ่งนั่งรออยู่ที่ชั้นล่างสามัญสมนึกบอกทันทีว่าต้องเป็นหลวงตาเฟื่องแน่นอนเพราะดูหน้าตาแล้วคงจะอายุประมาณหกสิเศษเดินเข้ามานั่งยังอาสนะแล้วจึงถามขึ้นก่อนว่าท่านคือหลวงตาเฟื่องใช่ไหมครับครับ และท่านคือพระเจริญจากวัดพรมบุรีที่จะมารักษาการเจ้าอาวาสวัดนี้ใช่หรือเปล่าเมื่อท่านตอบว่าใช่หลวงตาเฟื้องจึงคุกเขา่าและกราบท่านสามครั้งอย่างไม่เต็มใจนักเหตุเพราะถูกทิฐิพระยุยงว่าเด็กเมื่อวานซืนที่ถูกส่งให้มาปกครองเราภิกษุหนุ่มยกมือขึ้นรับไหว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 และการพัฒนาคนก็ต้องพัฒนาที่ใจของเขาพระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ชัดเจนว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมะทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจใครจะสร้างสรรค์สิ่งดีงาม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 หากว่าได้ฟังจากปากเจ้าตัวอีกครั้งเกือบสองพันปาแล้วผมเป็นข้าราชการบำนาญพอปลดเกษียณได้สองปีเมียเขาก็ใหมาบวชครั้นจะพูดความจริงว่าเมียไล่ให้มาบวชก็เกรงจะอับอายขายหน้านี่ทางสังขารไม่เสื่อมมีหรือจะยอมให้เมียมาบงการชีวิตหรือครับ เห็นทายกบอกว่าท่านเคยเป็นตำรวจมาก่อนครับผมเป็นจ่าสิบตำรวจน้ำเสียงบ่งบอกความภาคภูมิใจคิดว่าอย่างไรเสี้ก็คงจะดีกว่าพระหนุ่มซึ่งดูหน้าตาท่าทางแล้วคงจบไม่เกินปอสี่พระเจริญดูเหมือนจะรู้ความในใจของคู่สนทนาเพราะท่านพูดขึ้นว่า ถ้าผมไม่ชิงลาออกเสียก่อนป่านนี้ก็คงเป็นร้อยตำรวจโทรหรือไม่ก็ร้อยตำรวจเอกท่านไม่ได้พูดปทเพราะถ้าอดทนเรียนต่อไปจนจบก็จะเป็นดังเช่นที่พูดได้ยินดังนั้นฝ่ายที่ถือตนว่าเลอเลิอดกว่าถึงกับหน่าจ๋อยลงไปถนัดคิดว่ายศจากสิบตำรวจนั้น สูงกว่าใครๆในตำบลนี้แล้วเชี่ยวเจ้าเด็กเมื่อวานซืนกลับสูงกว่าเพราะเป็นถึงนายร้อยตำรวจแล้วความริษยาก็รุมเร้าวดวงจิตเมื่อคิดไปว่าคนที่ตนเห็นเป็นเด็กเมื่อวานซื่อ น, นั้นแท้จริงแล้วกลับสูงส่งกว่าเลยรู้สึกเหมือนตัวเองกลายเป็นคนต่าต้อยด้อยค่าหน้าอดสูนัก ผมเห็นจะต้องขอตัวรู้สึกปวดหัวนึบนึบสงสัยจะอาพาธผมไปละ่ะพูดจบก็กราบปลกปลกสามครั้งแล้วลุกออกไปพระหนุง่งมองตามจนอีกฝ่ายเดินหายไปในความมืดจึงลุกจากอาสนะตั้งใจจะขึ้นไปชั้นบนก็พอดีสามเณรเดินเข้ามาคุกเขา่าแล้วกราบสามครั้งแนะนำตัวเองว่ากระผม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 ไม่รู้จักกรรมฐานโดยเฉพาะสติปัฏฐานสี่ท่านเองเมื่อบวชใหม่ๆก็ไม่รู้เพราะอุปชาท่านไม่ได้สอน 3, สามพันษาครับผมบวชตั้งแต่อายุ 15. สิบห้าสามเณรวัยสิบแปดตอบคงจะเห็นว่ากระผมนั้นฟังดูเป็นพิธีรีตองมากไปจึงตัดกระออกเหลือผมเฉยๆ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 นั่นคือความสงบแห่งจิตดังมีพุทธพจน์รับรองว่านัธธิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจุดหมายของการบวชก็คือความสงบแห่งจิตจิตสงบได้ต่อเมื่อกิเลสตัณหาถูกทำลายให้สิ้นไป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 พอรู้ว่าหลับไปตอนยุคหรือตอนพองแล้วจะได้อะไรไปทำให้ได้ตามที่บอกซิก่อนแล้วเธอจะรู้ด้วยตัวเองว่าได้อะไรท่านสมพานบอกก่อนไม่ได้หรือครับผมจะได้ปฏิบัติรวดเดียวไปเลยไม่ต้องมาคอยถามให้ท่านสมพานรำคาญใจเอาเธอหน้าฉันไม่รำคาญหรอกไว้เธอไปปฏิบัติให้ได้ซิก่อนแล้วค่อยมาถามว่า ต่อไปจะทำอย่างไรถ้าเกิดผมอยากรู้ตอนท่านสมพันธ์จำวัดไปแล้วล่ะครับเธอก็ปลุกได้แต่ฉันคิดว่าคงไม่นอนก่อนเธอหรอกปกติเธอนอนกี่ทุ่มท่านถามเนหนุ่มประมาณสามทุ่มครับแล้วท่านสมพันธ์ล่ะครับตีสองตีสองเชืยหรอครับแล้วตื่นกี่โมงครับ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 คนที่ไม่ดีมาก่อนแล้วภายหลังกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้คนประเภทนี้ยังดีกว่าพวกต้นตรงปลายคดนะครับแน่นอนและฉันกาลังจะบอกเธอว่าฉันเองก็เป็นประเภทต้นคดปลายตรงสมัยเป็นเด็กฉันเกเรเ ก, เกตุงมากโยมยายเคียนจนไม่รู้จะเคียนยังไงในที่สุดก็เลยเลิกบังเอิญตอนนั้น ท่านทินกับไม้เรียวยายเสิแล้ววันไหนไม่ถูกทำโทษฉันก็จะทวงทวงอะไรครับเนนเฉลียวไม่เข้าใจทวงให้โยมยายเคี่ยนนะสิพระเจริญตอบรู้สึกสบายอกสบายใจเมื่อได้พูดถึงโยมยายที่ท่านรักและเทิดทูนแล้วท่านเคี่ยนไหมครับผู้อ่อนวัยกว่าอยากรู้ ตอนหลังท่านคงระอาเลยเลิกเคี้ยนไปเฉยเฉยฉันก็ร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่หลายวันกว่าจะชินกับการไม่ได้ลิ้มรสไม้เรียวโยงยายยังแปลกใจตัวเองมาจนบัดนี้ท่านพูดยิ้มยิ้มเห็นสมภานเป็นกันเองเช่นนั้นเนนเฉลียวก็หายกังวลและกล้าถามในสิ่งที่ตนอยากรู้ท่านสมพานนอนวันละสองชั่วโมง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 ต้องนอนคืนละสองชั่วโมงเท่า น, นั้นใช่ไหมครับเนรนไวสิบแปดเนึกทอ้อท่านจำวัดวันละแปดชั่วโมงกระนั้นก็ยังแอบงีบในตอนกลางวันอีกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยไม่ใช่อย่างนั้นตอนฉันไปเรียนใหม่ๆก็นอนวันละหกชั่วโมงแต่เมื่อทำอย่างนั้นการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าฉันเลยอธิษฐานจิต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 ผมคงตายเส้อก่อนไม่ตายหรอกฉันยังไม่ตายเลยการทำความดีนั้นยากแต่ก็ยากเฉพาะตอนเริ่มต้นเท่านั้นยากแท้แต่ไม่เคยอย่างไรละ่ะแต่ถ้าเคยแล้วไม่ยากโยมยายสอนอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรครับผมไม่เข้าใจ หมายความว่าสิ่งที่เรายัางไม่เคยนั้นดูเหมือนว่ามันยากแต่ถ้าคุ้นเคยเสีแล้วมันก็ง่ายเหมือนตอนที่ฉันฝึกนอนน้อยใหม่ๆก็คิดว่ามันยากแต่พอทำได้แล้วก็เกิดความเคยชินมันก็เลยไม่ยากที่ว่ายากเพราะไม่เคยแล้วอย่างผม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 เพราะเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เธอเคยได้ยินไหมพุทธวจนะที่ว่าวิริเยนะทุกข ม, มัดเจติบุคคลล่วงทุกได้ด้วยความเพียรเคล็ดลับก็คือต้องใช้ความเพียรพยายามใช่ไหมครับเน่นหนุ่มยังติดใจกับคำว่าเคล็ดลับเอาเธอเอาเธอ เธอจะว่าเป็นเคล็ดลับก็ได้แต่สำหรับฉันนั้นไม่ใช่เพราะเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำได้หากมีใจมุ่ง ม, มั่นเงียบกันไปพักหนึ่งสมณเนนก็ถามขึ้นว่าท่านสมพันธ์ครับนารีผลมีจริงไหมครับถ้ามีผมจะไปดูได้ที่ไหนเธอหมายถึงต้นไม้ ที่ออกผลเป็นหญิงสาวนะรึครับผมอยากรู้ว่ามีอยู่ที่ไหนอยู่ที่ป่าหิมพานโนนแนเธอเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อช้างวัดตึกราชาหรือเปล่าเนนวัยปถูกถามไม่เคยครับผมรู้จักวัดตึกราชาแต่ไม่รู้จักหลวงพ่อช้างท่านสมพานรู้จักหรือครับ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 บางวันก็ได้บางวันก็ไม่ได้วันไหนได้ก็อิม่มวันไหนไม่ได้ก็ต้องอดฉันน้ำลูกท้องไปตามประสาแต่ผมว่าก็ยังดีกว่าทํานาแหละครับดีกว่ามากพูดจบก็กราบสมผานสามครั้งแล้วจึงเดินกลับกุฏิซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา พระเจริญใช้เวลาถึงสมเดือนจึงสามารถปราบทิฐิพระได้รู้ว่าหลวงตาอ้อนชอบฉันชาตรากระต่ายและน้ำตาลตโนดท่านก็พยายามหาไปฝากอย่างสม่ำเสมอชาตรากระต่ายนั้นกระป๋องหนึ่งตัง20สิบบาทแพงกว่ายี่ห้ออื่นๆเกือบสิบเท่าตัวแต่ท่านก็อุตส่าห์ไปหามาถวายจนได้ตัวท่านเอง ฉันชาราคาถูกๆทว่าซื้อถวายหลวงตาอ้อนในราคาที่แพงริบลิว้วเมื่อได้ของถูกใจหลวงตาอ้อนค่อยคลายทิฐิลงยิ่งเมื่อรู้ว่าสมภารหนุ่มฉันชาราคาถูกกว่าที่ซื้อถวายท่านอาคติที่มีต่อพระหนุ่มก็มาลายไปสิน้นหลวงตาวัยเจ็ดสิบเศษจึงยอมเป็นมิตรกับสมภารหนุ่ม ด้วยประการชนี้ส่วนหลวงตาเฟื่องนั้นเล่าสามวันแรกที่สมพันธ์องค์ใหม่มาอยู่วัดท่านไม่กล้ากลับบ้านไปหาลูกหลานเหมือนเช่นเคยพอดีกับยังไม่ถึงเวลาที่มาม่วงมาปรางและน้อยหน่าออกผลถึงไปก็ไม่มีอะไรฝากลูกหลานจึงงดเสียครั้นวันที่สี่ก็ทนต่อไปไม่ไหวชั้นเพนเสร็จ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 เห็นจะเป็นญาติโยมที่พากันมาเล่นการพนันในโบสถ์วันแรกท่านเพียงแต่ไปมองมองดูพวกเขาก็ดูเหมือนจะเกรงใจอยู่บ้างแต่พอวันที่สองก็ชักจะทำหน้าถมึงถึงเข้าใส่ครั้นวันที่สก็ถามท่านว่ามองอะไรท่านรีบตอบว่าเปล่าใจโยมอาตมาเป็นสมภารใหม่ เลยอยากรู้ว่าโยมมาทำอะไรกันในโบสถ์ก็รู้แล้วนี่ยังจะมาทำไมอกีกเจ้าคนที่หน้าเหี้มเกลียมตะคอกงั้นอาตมาจะกลับละตามสบายนะโยมนะแล้วท่านก็รีบเดินกลับกุฏิรุ่งขึ้นอีกวัน ท่านก็ซื้อน้ำแข็งใส่น้ำหวานไปเลี้ยงพวกเขาบอกว่าโยมเล่นกันในเนื่อยพักทานน้ำแข็งให้สบายใจก่อนนะพวกเขาก็พากันกินน้ำแข็งใส่น้ำหวานที่ท่านใส่กระติกไปให้แล้วท่านก็เพียรซื้อไปให้พวกเขากินทุกวันบรรดา น, นักการพนันทั้งหลายก็ค่อยๆหายหน้าหายตา ไปวันละคนสองคนกระทั่งไม่มีใครอยู่ให้ท่านเลี้ยงน้ำแข็งอีกนับแต่นั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีใครไปเล่นการพนันในโบสถ์วัดป่ามะม่วงอีกเลยแต่กว่าจะปราบทิฐิพระและญาติโยมได้พระเจริญก็หมดเงินไปหลายช่าง